ือคืองี้มันมีการให้ค่าให้ค่าของจิตก่อนจิตมันให้ค่ากับอารมณ์นะพอจิตมันให้ค่าแล้วมันก็ตัดสินว่าเนี่ยดีหรือไม่ดีถ้าดีมันก็ยินดีถ้าร้ายมันก็ยินร้ายนะเพราะฉะนั้นเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยขั้นแรกพอตาเห็นรูปครั้งแรกเนี่ยมีแต่อุเบกขายัางเฉยเฉยอยู่ สังเกตไหมแล้วมันมีการส่งสัญญาณความรับรู้เข้ามาที่ใจก็นะส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วมีการตีความนะสัญญามันจะบอกเลยล่านี่คือนีน้นี่คือ น, นี้ตีความก่อนเริ่มให้ค่าว่าคืออะไรคืออะไรแล้วก็ตัดสินนะว่าดีหรือไม่ดีงทีก็ตัดสินให้กุศลเกิดหรืออกุศลเกิดนะอกุศลเกิดก็ยินดียินร้ายขึ้นมา เอ่อมันไม่ไม่พ่าดว่ามันไอไอดอกไม้สวยดีมันเกิดก่อความคือความยินดีเกิดก่อนเราไม่ใช่คือมันพอมันเห็นว่าเป็นดอกไม้ที่สวยเนี่ยใจมันก็ยินดีพอใจในดอกไม้นะมันต้องต้องให้ค่าต้องตัดสินก่อนว่าดีหรือไม่ดีนะพอตัดสินแล้วเนี่ยกุศลนะกุศลถึงเกิดนะตัดสินเป็นกุศลก็ได้อะกุศลก็ได้ ยังเห็นดอกไม้ตัดสินไปกุศลอุ้ยหน้ า, าไปไหว้พระคิดถึงการไหว้พระสวดมนต์หรือว่าเห็นดอกไม้สวยอยากได้เนี่ยความยินดีเกิดขึ้นนั่นเะป็นตัดสินมันให้ค่าก่อนนะคือถ้าเรียนเรื่องวิถีจิตอ่ะไม่จะชัดตรงเนี้ยในอภิธรรมมีนะ<ะ>อ๋อ อยาเาหลวงพ่อไปอ้างญิงกับรันทำเลยนะตั้งแต่ยังไม่บวชหลวงพ่อก็ไม่เข้าแล้วนด่พอมาบวชแล้วโอ้คนชบ อ, อ, อเนบออเอาไปอ้างยิงอุตส่าห์เขียนนล้วบอกอย่าเไปอ้างหญิงนะหนังสือตู้เล่มเลยต้องบอกไว้อย่าไปอ้างญิงเพื่อการถกเถียงกัน นั่งเฉยๆไม่เจอเพชรถูกแล้วนั่งเฉยๆเจอไม่ได้เขาก็พูดถูกนะคือนั่งเฉยๆมันคือสติมันมีสองตัวนะสติตัวหนึ่งปัญญาตัวหนึ่งนะหรือสติกับสัมผชัญญาอย่างการที่เรารู้นะรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกเฉยๆแล้วก็รู้สึกว่าเรานั่งอยู่เงี้ยนี่ยนะเรียกมีสติ จะเดินจะก้าวขาซ้ายขาขวารู้สึกหมดเลยนี่เรียกว่ามีสติตัวนี้ยังไม่ได้มีปัญญานะแต่ถ้าจะมีปัญญาต้องรู้ถูกเข้าใจถูกด้วยนะจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นรูปมันนั่งไม่ใช่เรานั่งนะรูปมันยืนรูปมันเดินนะหรือเวลาถ้าเรารู้ทางใจก็เหมือนกันนะเราเห็นความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาผ่านไปมันจะรู้เลยมันไม่ใช่เราหรอกนะเป็นนามธรรมอันนึงไหลามาไหลไปเนี่ย มันไม่ใช่รู้เฉยๆนะมันรู้แล้วประกอบด้วยปัญญาด้วยถ้ารู้เฉยๆแล้วจะไปเพ่งเหรอ ก, ก็ยังรู้สึกว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราแต่ก็ยังมีเราผูา้รู้อยู่อ่าไม่เป็นไรมันต้องมีเพราะว่ า, อาตอนนี้มันยังมีนะยังไม่ใช่โสดาใช่คือความเป็นเราเนี่ยเป็นความคิดนะสักกายทิฏฐิเป็นเรื่องของความคิดความเห็นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถรู้สึกตัวขึ้นมา สังเกตไหมพอเรารู้สึกเราจะหลุดออกจากความคิดที่หลวงพ่อเทียนสอนรู้กับคิดมันตรงข้ามกันเลยนะทันทีที่รู้สึกตัวเราจะหลุดออกจากความคิดทันทีที่หลุดจากความคิดเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะเราจะเห็นเลยไอ้ที่กระดกกอย่างเงี้ยไม่ใช่เราพยักหน้าด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่รูปพยักหน้าด้วยนะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งนะมันเคลื่อนไหวสิ่งบางสิ่งเนี้ยถ้าจะใส่ชื่อมันก็คือรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่ง ไม่ใช่เราไปยักหน้าหรือเรายกขาซ้ายขาขวาค่อยๆจำแนกนะอะไรเป็นบัญญตัติอะไรเป็นอารมณ์ปรมาติจริงๆไม่เหมือนกันถ้ามาเราสามารถหลุดออกมาจากโลกของความคิดเรารู้สึกตัวเราตื่นขึ้นมาในฉับพลันแล้วก็เราจะเห็นเล ย, เยตัวนี้ที่กระดูกกระดิกเนี่ไม่ใช่เราทันทีรู้สึกเลยใช่ไหมจกักเพราะว่าการเห็นรูปไม่ใช่เรานง่ายที่สุดเลยนะแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นแล้ว นะโดยไม่ต้องนั่งคิดแนละ้วนี่รูปไม่ใช่เรานี่คิดเอาแนละวนะมันต้องรู้สึกเอางั้นไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วเจอเพชรที่หน้าผากแนละ้วเจอไม่ได้เขาก็พูดถูกแนละ้วไม่นั่งเฉยๆเจอพวกง่อยเปรี้ยวเสียขาบรรู้หมดแนละ้วนั่งเฉยๆทําอะไรไม่ได้งั้นเราเจริญปฏิบัติเนี่ยเราใช้ทั้งสติทั้งปัญญาหรือตัวสัมผััญญะปัญญามีหลายระดับนะ ปัญญาที่เรียกว่าสัมปชัญญะเนี่ยเป็นปัญญาในระดับที่ใช้ประคับประคองการเจริญสติให้ถูกต้องประคองการเจริญสติให้มันเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นตัวสัมปชัญญะเนี่ยซอยออกไปมี4ี่อันเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรระหว่างทำไม่หลงไม่เผลอไม่ขาดสติไม่เพลิดเพลินไปไม่เพ่งจ้องไม่ถลําไปนะงั้นอย่างเราเวลาเราจะมีสติขึ้นมาเช่น ความโกรธไหลผ่านมามีสัมปชัญญะเลยนะรู้ว่าเราจเจริญมิปั ส, สนาอยู่เนี่ยเราจะไม่ไปละความโกรธแต่ถ้าเราจะทําสมถะเราจะ ล, าานะละความโกรธ่ะงนั้นความโกรธผ่านเข้ามาเราจะทํายังไงกับมันดีเราจะรู้มันตามความเป็นจริง <c oughs> เรียกว่ามีสัมปชัญญะระหว่างที่รู้มันเนี่ยไม่หลงไปคิดที่อื่นแล้วก็ไม่ไปนั่งเพ่งใส่มันด้วยนะนี่เรียกว่ามีความรู้สึกตัวขึ้นมานะไม่หลงไปอะ เรื่องของมันไม่เรื่องของเรา<ม>สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับมันดับเราไม่มีหน้าที่ไปยุ่งหน้าที่รู้ลูกเดียวมันละเองมัละของมันไม่ต้องละอะไรหรอกนะท่านสอนให้ละอย่างเดียวคือละความอยากนะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะไว้ความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ไม่ใช่ให้ละนะจับหลักให้แม่นๆ น, นะถ้าหลักนี้พลาดล้วก็ทำํำนิพพสนาไม่ได้เลยแต่ที่ผมฟังมาพอรู้แล้วก็จะละเองเขละเขาเอง ทำไมเขาล่ากเขาเองมาพูดให้ฟังให้ชัดๆก็ได้สมมตเราขับรถอยู่เห็นคนปาดหน้าเราเคยปาดหน้าไหมถูกปาดหน้าต้องโมโหใช่ไหมเออไม่โมโหผิดปกตินะเออต้องโมโหเนี้แต่ก่อนจะโมโหสังเกตไหมเราต้องคิดนิดนึงก่อนเฮ้ยมึงแน่ซะแค่ไหนไหมีคิดนิดนึงให้ฆ่าก่อนให้ฆ่าว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีแล้วโทสะก็เกิดโทสะเนี่ยเกิดตามเพราะว่าจิตไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเข้า ให้ค่าแล้วไอ้ปาดหน้านี่ไม่ดีก็โกรธนี่พอโกรธแล้วนับปฏิบัติเห็นความโกรธของตัวเองขนาดที่เห็นความโกรธเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องไอ้คนที่ปาดหน้าความโกรธก็ดับดับเพราะอะไรเพราะเหตุมันไม่มีคือไม่ได้คิดไม่ใช่ดับเพราะเราไปดูเมือนเข้านะอ่ไม่ปรุงปรุงคือคิดเพิ่มเพราะงั้นกิเลสไม่ได้มีหน้าที่ไปละมันนะมีหน้าที่รู้ ถ้าให้ละอันเดียวให้ละสมุทยัยทุกให้รู้สมุทยัยให้ละต้องเรียนให้แม่นนะเรื่องอริยสัจเรื่องกิจในอริยสัจถ้าใครไม่เรียนอริยสัจแล้วก็คลาดเคลื่อนจากกิจอริยสัจแล้วก็ไม่มีทางเลยปฏิบัติผิดแน่นอนอย่างอริยสัจสี่ต้องเรียนทุกคืออะไรทุกคือกายกใจคือรูปกับนามขันห้าเป็นตัวทุกนะไม่ใช่อกหักเป็นทุกนะไม่ใช่ตกงานเป็นทุกนะ ฝนตกรถติดเป็นทุกข์นั้นมันแค่สาเหตุของมันแต่จริงๆก็คือตัวรูปกับตัวนามเนี่เป็นตัวทุกข์นี่เราปัญญาเรายัางไม่ถึงตรงนี้ทุกข์ให้ทําอะไรทุกข์เป็นของมีจริงหน้าที่ของเราต่อทุกข์คือให้รู้มันเพราะฉั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติต้องคอยรู้กายรู้ใจนะถึงจะเรียกว่ารู้ทุกข์ให้คอยรู้อยู่ที่กายรู้อยู่ที่ใจเพราะว่าทุกข์มันก็มีสองงานถ้าไม่กายทุกข์ก็ใจทุกข์ก็มีแค่นี้เองเัีนรู้อยู่ที่กายกับใจ ต้องความไม่เทเฮ้ยอย่าไปคิดเอาชอบคิดรู้สึกยังว่าเป็นพวกทิฏฐิจริตเวลาคิดแล้วมันลืมตัวเองรู้สึกไหมเวลาคิดอะมันลืมกายลืมใจรู้สึกไหมนะเพราะงั้นอย่าลืมกายลืมใจรู้สึกเอาไม่เอานะความคิดยนทิ้งไปแล้วก็รู้สึกเอามิปัสนาไม่คิดเอานะแต่รู้สึกเอารู้ไหมใจหนีแวบไปแล้วเนี้ยนะรู้ไม่ทันนะรู้ไม่ทันกิเลสเอาไปกินหมดเลย ก็ไปนั่งคิดเรื่องธรรมมาล้วมีความสุขคิดเรื่องธรรมะจิตเป็นกุศลเหมือนกันนะแต่เป็นโลกียะกุศลบรรลุมากผลอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยขาดสติอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยไปเที่ยวไปไปอยากพูดอีกแล้วฮะ่า <c oughs> เชิญเชิญ อ่าใช่ใเท่าความรำไรอ่าใช่ใช่อืออือคือท่านสอนนี้นะฟังแต่เดิมมาแตมาก็สงสัยศาสนาพุทธไม่ตื้นตื้นเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี่ใครๆก็เห็นทําไมเราเห็นทุกข์เราไม่บรรลุธรรมนะท่านสอนเนี่ยท่านสอนบอกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์คือชาติ ความเกิดท่านไม่บอกว่าคนที่เกิดเป็นทุกข์ท่านบอกความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ไม่ใช่คนแก่เป็นทุกข์นะความตายเป็นทุกข์ไม่ใช่คนตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะการไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ําไรลาพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์แต่เสร็จแล้วท่านขมวดท้ายท่านจะบอกว่าไม่มีคนเป็นทุกข์นะ ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์เนี่ยหัวใจมันอยู่ตรงนี้คือถ้าเรายังรู้สึกว่าเราทุกข์ถ้ารู้สึกว่าเราทุกข์เนี่ยแสดงว่าเรายังเข้าใจทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นว่าเอ๊ที่ทุกข์เนี่ยคือรูปเป็นทุกข์หรือนามธรรมมันทุกข์เนี่ยไม่มีเราทุกข์อันนี้ที่จะละความเป็นตัวตนได้เพราะงั้นกว่าเราจะปฏิบัติจนเห็นว่าไม่มีผู้ทุกข์นะแต่มีความทุกข์ รูปบรรทุกนามบรนทุกไม่มีเราทุกเนี่ย้องเจริญวิปัสน า, าคือสติเนี่ยมีหน้าที่ระลึกได้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะสัมปัชยชัญญาเป็นตัวเข้าใจนะสัมปัชยชัญญาเป็นตัวปัญญา เพรงสติเป็นความระลึกได้เหมือนกระยามเท่านั้นเองเช่นอะไรบางอย่างผ่านเข้ามาความโกรธผ่านเข้ามาในใจเราสติรู้ปั๊บเลยโดยไม่เจตนาจะรู้สติที่เจตนาทําขึ้นมาเป็นสติปลอมนะสติจริงๆเนี่ยเกิดเพราะว่าจิตมันรู้จักสภาวะคือความโกรธจิตมันรู้จักว่าโกรธเป็นยังไงแะพอความโกรธผุดขึ้นมามันพุ่งขึ้นมาพุ่งรู้สึกไหมมันพุ่งขึ้นมานะเพราะสติระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้น ถ้ามีสัมปชัญญะเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าไอ้ที่พุ่งขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่จิตใ จ, ใจอะไรของเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมหรือเป็นอาคารทุกกะกิเลส ท, ที่แทรกเข้ามาไม่ใช่จิตนะจะเห็นเลยไอ้ที่เคลื่อนไหวนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปมันเคลื่อนไหวนามธรรมาคือความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยที่ผ่านเข้ามาที่ใจเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเราตัวสัมปชัญญะเนี่ยคือตัวที่เข้าใจความเป็นจริงตรงความเป็นจริง เห็นว่ารูปมันไม่ใช่เรานามไม่ใช่เรานี่เรียกว่าตัวสัมปชัญญะเพราะงั้นเวลาเราจะปฏิบัติเนี่ยถ้ามีสติอันเดียวเราจะเพ่งเช่นความโกรธพุ่งขึ้นมาเราจ้องใส่ความโกรธความโกรธจะค่อยๆหดลงไปหดหดหดหลบเข้าไปอยู่ข้างในลึกๆนะบางคนก็ดูตามเข้าไปเพ่งตามเข้าไปอันนี้สิ่งที่ได้คือได้ความสงบเฉยๆแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาต้องมีสติและสัมปชัญญะ คือความโกรธพุ่งขึ้นมาสติรู้สัมปชัญญะเห็นเลยว่าไอ้ น, นี่เป็นแค่ของที่ถูกรู้เท่านั้นเองไม่ใช่ตัวเรา เ, รเป็นสิ่งที่แปลกปลอมนะเหมือนเป็นแขกที่ผ่านมาหน้าบ้านเยถ้าเห็นอย่างเนี้ยมันจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีอย่างนี้เรียกว่าตัวสัมปชัญญะคือรู้นี่หมายความว่ารู้ทันรู้เท่าตามให้ทันอันนั้นคืออะไรเสียบ่คือคือ คือคำว่าสักว่าเนี่ยมันเกิดจากมีสติมีสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นจริงๆถึงจะสักว่านะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยจะไม่สักว่ารู้นะจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่หลงไปสุดโต่สองข้างข้างหนึ่งหลงตามอารมณ์ไปนะข้างหนึ่งคือบังคับตัวเองไว้อย่างนี้จะไม่สักว่านะยกตัวอย่างเนี่ยสมมติกิเลสเกิดขึ้นมาสมมตว่าความโกรธเกิดขึ้นพอเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นในความโกรธครอบงําจิตไม่ได้เราไม่หลงไป ไม่หลงตามความโกรธนี่คนทั่วๆไปพอโกรธปุ๊บมันจะไปมองคนที่ทําให้โกรธไม่ดูความโกรธไม่ดูใจตัวเองจะไปดูคนที่ทําให้โกรธอย่างนี้เรียกว่าหลงตามความโกรธไปนะสุดโต่งไปอย่างเงี้ยสักว่ารู้ไม่ได้นะเพราะหลงไปรู้คนอื่นแล้วลืมรู้ตัวเองนะอีกอย่างหนึ่งก็คือพอความโกรธเกิดขึ้นนับปฏิบัติจะเพ่งใส่ไม่ชอบความโกรธนะก็จะจะจ้องใส่ความโกรธนะการเพ่งการกดข่มเนี่ยเป็นสุดโต่อีกข้างหนึ่ง อันนี้ก็จะไม่ใช่สักว่ารู้แต่ถ้าคําว่าสักว่ารู้จะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเป็นคนดูเฉยๆไม่เข้าไปแทรกแสงไม่คล้อยตามคือหลงตามความโกรธนะไม่ไปต่อต้านความโกรธถึงจนะสักว่าอ่อวก็ตัวอ อ, ว อ, อ, อย่างเช่นเรา คือคือวิธีระงับความโกรธก็มีหลายอย่างนะเครื่องมือมีหลายอันถ้าสติปัญญาของเราเข้มข้นแก่กล้าเราจะเห็นว่าความโกรธเนี่ยไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่แรกแล้ความโกรธเป็นสิ่งที่ผ่านมาให้จิตไปรู้เข้านะความโกรธมีเหตุคือได้ได้ยินข่าวไม่ดีความโกรธก็เกิดนะงั้นจะเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ใช้วิปัสสนานะอันที่สองถ้าวิปัสสนาทําไม่ได้ก็ใช้สมถะ เนะช่นความโกรธเกิดขึ้นเราอาจจะเออแผ่มเมตตาให้เขานะแผ่มเมตตานะให้สัตว์โลกอย่าเบียดเบียนกันอะไรเนี่ยเป็นวิธีหนีหรือมอันอยพุทโธพุทโธนะหนีความจริงมามาอยู่กับความสบายใจของตัวคนเดียวนี่ก็เป็นวิธีสู้ความโกรธอย่างที่สองใช้สมถะนะสู้ความโกรธอย่างที่สามมจะใช้อย่างโลกภเลยใช้คิดเอานะคิดเป็นธรรมะธรรมโมหน่อยเอคนที่ถูกฆ่านี่ก็คงมีกรรมของเขาเองนะ ไอคนที่ไปฆ่าเขาเนี่ยมันก็สร้างกรรมใหม่ไอคนที่ถูกฆ่ามันคงมีกรรมเก่าเนี่ยคือหาทางคิดนะคิดไปในทางที่จะไม่โกรธนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะวิธีอีกอย่างหนึ่งก็อย่าไปดูข่าวมันเลยนะดูแล้วมันโกรธก็อย่าไปดูมันนะนี่หลีกผักษะไปเลยนะวิธีการมีเยอะแยะ มันเป็น ค, นคนละเรื่องกันโยมการแก้ปัญหาทางโลกเนี่ยอย่างหนึ่งนะการเจริญสติเนี่ยอีกอย่างหนึ่งปัญหากระทุกเนี่ยคนละตัวกันต้องแยกกันก่อนปัญหาอย่างปัญหาภักใต้เป็นปัญหานะแต่เราไม่ชอบปัญหานี้เราทุกข์งั้นต้องแยกก่อนนะจัดการใจของเราให้มันไม่ทุกข์ก่อนแล้วก็ไปหาวิธีแก้ปัญหาเอาเราอย่าเอาปัญหากระทุกปนกันนี้บางคนเป็นชาวพุทธที่ไม่เอาไหนเลย เออก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะไม่แก้ปัญหาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยเราจัดการเจริญสติเนี่ยเพื่อว่าใจเราไม่ทุกเจอปัญหาหรือปัญหาภักใต้รุนแรงใจเราไม่สบายใจเลยนะเรามาเฝ้ารู้เห็นความไม่สบายใจมันเป็นแค่สิ่งแตกปลอมนะใจเราสบายใจเราสบายแล้วถ้าเรามีหน้าที่จะไปแก้ปัญหาก็ไปคิดแก้ปัญหาเอาคนละส่วนกัน้าอย่งี โอไม่ไม่ใช่นะชาพุธไม่ได้ยอมจำนนนะถ้าปัญหาเกิดขึ้นแล้วสักแต่ว่าสักแต่ว่าอ้นั้นยอมจำนนชาพุธเป็นนักสู้นะแต่สู้ด้วยจิตใจที่ไม่ทุกข์นะคนละส่วนกันนะระหว่างปัญหากับทุกข์โยมต้องแยกกันยกตัวอย่างสมมติว่าลูกฝิดสมมติว่าโยมเป็นอาจารย์ลูกฝิดไปติดยาเนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีหน้าที่อุเบกขาะ อาจารย์แล้วขั้นแรกต้องอย่ากรกุ่มใจนะลูกติดแอบไปติดยาจัดการใจของอาจารย์ก่อนพอจิตใจของอาจารย์สงบสบายแล้วค่อยมาคิดว่าปัญหาสาเหตุมันอยู่ที่ไหนทำไมเด็กมันไปติดจะ แ, แก้ปัญหายัางไงต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ยอมจำนวนนะรัฐที่ยอมจำนวนนี่เป็นรัตที่ของนิครนุนะแล้วแต่กรรมเก่าชาพุทธไม่ยอมจานวนนะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่<อ>นะ อ, อ๋อไม่ใช่เวลาเว้นมันไม่ได้หรอกนะแต่ว่าให้เรารู้ทุกข์ให้ชัดถ้ารู้ทุกข์ชัดเนี่ยความอยากจะขาดไปความอยากจะดับอย่างแต่เดิมเนี่ยเราคิดว่าไอ้ร่างกายนี้เป็นตัวเราตัวเราแน่นอนเลยแต่ถ้าเรามาเจริญสตินะเรเาจะรู้เลยไอ้ตัวนี้มันทุกข์ทั้งวันเลยเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยว ห, יר, หิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวขันนะเดี๋ยวปวดอือปวดฉี่เนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ พอเราเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยต่อมาพอเราเราเจ็บหนักไม่สบายนะจิตใจเราจะไม่ทุรนทุรายจะไม่อยากว่าไม่ต้องอยากให้มันเป็นอมะตะถาวรเพราะเรารู้ความจริงเลยตัวนี้เป็นตัวทุกขนะ์ท่านถึงสอนบอกว่าถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนะี่ยสมุทยัทยจะถูกละตัวเองนะเพราะฉั้นเราต้องรู้ทุกข์คือเฝ<อ>้ารู้กายเฝ้ารู้ใจเรื่อยๆการรู้กายรู้ใจเนี่ยเรียกว่าวิปัสนาะรู้ตามความเป็นจริง อย่างแต่เดิมเราคิดว่าร่างกายเนี้นานนา น, น, านทุกทีหนึ่งนะเพราะโดยเฉพาะพวกหนุ่มๆสาวๆเนี่ยเขารู้สึกไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะนานนา น, น, านทุกทีหนึ่งแต่ถ้าเขามาเจริญสติเฝ้ารู้กายเรื่อยๆจะเห็นว่าความทุกข์เกิดทั้งวันอย่างนั่งประเดี๋ยวหนึ่งก็เมื่อยละนะนะมันทนไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้ต้องขยับตัวหนีความเมื่อยนั่งรับคันต้องเ่าแก้ความทุกข์นะเดี๋ยวหิวข้าวไปหาข้าวกินปวดท้องอีกแล้วไปเข้าห้องน้ํา วันวันหนึ่งเนี่ยตัวเนี้เป็นตัวทุกข์ทั้งวั น, นสมมติว่าเรารู้อยู่ได้แค่เนี่ยไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแค่นี้ก็ได้ประโยชน์เยอะเวลาเราเจ็บหนักใกล้ตายนะถ้าคนทั่วๆไปจะกลัวตายเสียดายว่าตัวดีของเราจะตายแล้วแต่พวกผู้ที่จเจริญสติรู้กายเนี่ยพู้ใตเจ้าท่านสอนบอกไม่กลัวตายพวกจเจริญกายคตาสติเนะยจะเห็นกายมันเป็นตัวทุกข์ไอตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่เราตายตใจก็จะสบาย งันหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจตัวเองเรื่อยๆสิ่งที่ทําให้เรารู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้มีสองอย่างคือทางเดินที่ผิดสองทางถ้าเราสังเกตให้ดีพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเนี่ยสอนเทศกันแรกของท่านคือธรรมจักเคยอ่านไหมธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะใครเคยอ่านบ้างเอาใครไม่เคยอ่านบ้างแสดงอ๋อเยอะขนาดนี้ชัวร์ นะไม่เคยอ่านธรรมจักเลยเหรอนะคือเริ่มต้นเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกให้ทำอย่างไรนะถ้าสังเกตให้ดีท่านสอนที่ผิดก่อนท่านบอกว่าวิธีปฏิบัติที่ผิดจะมีสองวิธนะีวิธีหนึ่งเรียกว่ากามสุขันธิการุโยกหรือการที่เราจิตใจเราเนี่ยหลงตามกิเลสไหลาตามกิเลสในทั้งวันนะการหลงตามกิเลสไหลาตามกิเลสเนี่ยมีช่องทางที่ไหลไปได้หกช่อง ไหลไปทางตานะเช่นอยากดูไปดูพอไปดูก็ลืมตัวเองเนี่ยหลงไปทางตานะคิดว่าถ้าได้เห็นของสวยแล้วจะมีความสุขได้ยินเสียงเพราะมีความสุขได้กลิ่นหอมแล้วจะสุขเนะีนะ่ยก็เที่ยวหาอารมณ์ทางทวารทั้งหกหรือได้นั่งคิดนะถ้าอายุเยอะหน่อยอย่างอาตมาคิดถึงความหลังแล้วมีความสุขนะถ้าเด็กๆ ก, ก็ฝันไ้ถึงอนาคตแล้วมีความสุขนี่นะนะคือใจเราจะวิ่งหาความสุขไป หลงไปเรื่อยๆตามกิเลสไปนี่สุดโตไปข้างหนึ่งถ้าเมื่อไรอย่างเห็นคนเดินมาเราดูเขาพอเราดูเขาเราก็ลืมตัวเองนะเรารู้กายรู้ใจไม่ได้เราฉะนั้นการหลงไปการไหลไปนะการตามกิเลสไปเนะี่ยเป็นความสุดโต่อันที่หนึ่งทำให้รู้กายรู้ใจไม่ได้นะความสุดโต่งอันที่สองก็คือการบังคับตัวเองไว้ที่เรื่องอัตตะกลือมัทฐานุโยกสังเกตไหมว่าเวลาพวกเราคิดถึงการปฏิบัติเราคิดถึงการบังคับตัวเอง บังคับกายบังคับใจนะบังคับกายอย่างเช่นหายใจนะหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยนะกนําหนดลมหายใจเดี๋ยวเดียวเหนื่อยเลยเพราะว่าไปเปลี่ยนจังหวะการหายใจนะเคยเดินนะไม่เป็นไรไปเดินจงกรมหน่อยแข้งขาจะหักแล้วนะพอไปเดินท่าที่ไม่เคยเดินนะเนี่ยเราจะทําอะไรที่เป็นการบังคับหรือจิตใจก็เหมือนกันจิตใจของเราเนี่ยเคยวิ่งไปวิ่งมามจะบังคับให้มันสงบบังคับให้มันนิ่ง คอยกำหนดไปเรื่อยบังคับไปเรื่อยนี่เป็นการสุดโต่งอีกข้างหนึ่ง <Yeah. S 1> นะเรียกว่าการบังคับหรืออัตตากเคลมัทฐานิโยคบังคับตัวเองนะการบังคับตัวเองเนี่ยถือว่าดีนะการไหลาตามกิเลสหรือการสูข่ขารุ ก, การนิโยคมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะว่าอาปุญญาที่สังขารความปรุงแต่งฝ่ายชั่วนะการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองนะไม่เคยทําทานบังคับให้ทําไม่เคยถือศีลบังคับให้ถือศีล ไม่เคยนั่งภาวนาบังคับมันนั่งอย่าเงี้ยบังคับตัวเองเป็นความปรุงแต่งฝ่ายกุศลงั้นถ้าจะบังคับไอถ้าจะตรุงแต่งก็ปรุงกุศลก็ดีกว่าไม่ปรุงนะดีกว่าปรุงกกุศลเนี่ยท่านสอนมาสองทางนี้ใช้ไม่ได้การบังคับตัวเองเช่นความโกรธเกิดขึ้นบังคับให้หายมันทำํำวิปัสสนาไม่ได้ตรงไหนวิปัสสนามีหลักว่าให้เรารู้รูปนามหรือกายใจเนี่ยตามความเป็นจริง ถ้าเราเผลอไปนะไหลาตามกิเลสไปเราก็รู้รูปนามไม่ได้รู้กายรู้ใจไม่ได้ถ้าเราเพ่งไว้เราควบคุมไว้เราบังคับเราก็รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้เพราะทุกอย่างจะนิ่งผิดความเป็นจริงเพราะงั้นใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยอย่าให้ไหลสุดโตงไปสองข้างนี้เราถึงจะสามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง <S <S คือเขาเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นสังเกตไหมว่าเราเริ่มต้นการปฏิบัติแล้วชอบบังคับมันพอคิดถึงการปฏิบัตินั้นต้องทำํำครึมๆก่อน ทำึมๆนะท่าทางก็ต้องไม่เหมือนปกติละใครเขาเห็นนะีโอ้นี่นักปฏิบัติแล้วท่าทางไม่เหมือนชาวบ้านนั้นจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรมากเลยพระเจ้าท่านสอนง่ายๆเลยภิกษุทั้งหลายนะให้เธอมีความรู้สึกตัวกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นคือเห็นว่ารูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนนะหรือจิตนะ่ะ จิตมีราคาให้รู้นะถ้าไม่ได้สอนนะจิตมีราคาให้ละว่าจิตมีราคาก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดผูกก็รู้ทนะ่าสอนให้รู้นะหรือบางทีท่านก็ใช้คําว่ารู้ชัดนะมีโทสะก็รู้ชัดว่ามีโทสะคําว่ารู้รู้ชัดเนี่เป็นยังไงนะ สติเนี่ยเป็นตัวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ชัดนี่คือตัวปัญญาตัวเข้าใจหรือตัวสัมปชัญญะรู้เลยว่าไอ้ตัวที่โกรธไม่ใช่เราโกรธหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาเมื่อรู้ชัดไม่ใช่นั่งเพ่งนะพวกเราชอบไปแปลรู้ชัดว่านั่งเพ่งจะได้รู้ให้ชัดชัดไม่ใช่นะรู้ชัดคือรู้ตรงตามความเป็นจริงนะท้ายคาในสติปัฏฐานแต่ละคําเนี่ยมีคําอธิบายอยู่ในอัศกถาหรือใน คำพีอภิธรรมมัทธาสังฆาาะปรลิเฉต ส, สุดท้ายเลยปริเชตที่เก้ามีคำอธิบายแตอย่านึกเอาเองนะนึกเอาเองแล้วถูกหลอกถ้าเรานึกเอาเองได้นะก็ไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าบัตรู้หมดแล้วเชนเชนเชน คือเรามื่กี้คิดว่าสิ่งที่จะผลักดันให้เราทํามาหากินหรือขยันแขันแข่งอะไรนี่นะต้องเป็นตันหานะงั้นมีอยู่ยุคหนึ่งสมัยจอมพลสฤษดนะิ์สั่งพระว่าอย่าสอนเรื่องสันโดษนะเดี๋ยวคนขี้เกียจทำมาหากินเนะีคือไม่เข้าใจศาสนาพุทธนะสันโดษเนี่ยสันโดษในผลนะไม่ใช่สันโดษในเหตุเหตุคือทํามาหากินให้เต็มที่เลยนะอย่างสุจริต แล้วก็ได้ผลแค่ไหนนะอย่าเสีย อ, อกเสียใจทํแล้วไม่รวยอย่าเสียใจนะแต่ให้ทำเต็มที่ น, ะนี่เวลาสิ่งที่บงการพฤติกรรมนะทางใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่ตันหานะอำนาจทางฝ่ายกุศลเนี่ยก็ผลักดันพฤติกรรมทางใจได้นะยกตัวอย่างอย่า ง, งพระอรหันต์บอกว่าเหนือดีเหนือชั่วล้วไม่มีความอยากต้องพระอรหันต์นะคนอื่นยังอยากอ ย, กอยู่ พระอรหันต์ไม่มีความอยากแต่ทําไมพระอรหันต์ขยันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยขยันที่สุดเลยนะวันวันหนึ่งแทบไม่ได้พักทําประโยชน์ตลอดนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกิเลส ท, ที่จะทำให้ขี้เกียจนะคราวนี้เพราะฉะนั้นการดํานินชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์เนี่ยจึงดํานิชีวิตอย่างมีเหตุผลอะไรที่สมควรทำก็ทำอันนั้นไม่ใช่ทาก็อยาก อย่างท่านสอนคนเนี่ยเพราะเห็นว่าเออมันน่าสอนนะแต่ละคนลำบากมาด้วยกันเยเคยลำบากมาด้วยกันพอเข้าใจแล้วก็ไปสอนเขาแต่ไม่ได้อยากได้สาวกเะนี้แต่ถ้าสอนแล้วเขาไม่เข้าใจนะก็ไม่เสียใจเขไม่ได้อยากว่าเขาจะต้องเข้าใจรู้ว่าแต่ละคนต้องใช้เวลาพัฒนาอย่างพวกเราฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะปิ๊งในวันนี้ใช่ไหมอาจจะอีกอสงไขยแสนมหากรัปนะ แล้วต้องใช้เวลาบ่มนะภูบาอจารย์มาองบอกอย่างมากถ้าตั้งใจทํานะอย่างมากก็เจ็ดชาติก็บรรลุโสดาอะไรเงี้ยอนะแต่ว่าพวกเราไม่ต้องตกใจนะว่าต้องใช้เวลาเป็นมหากับอย่างนั้นเพราะพวกเราที่เข้ามาสนใจธรรมะเนี่ยคือพวกที่เคยฝึกฝนอบรมมาแล้วนะไม่ใช่เริ่มที่ศูนย์แล้วนะตอนเนี้ยตอนนี้เริ่มกันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าอะไรอย่างนี้ลนะใกล้จะถึงพันลนะ วงเทียนบอปีเออนะหลวงพ่อเทีย 3, 4, 4, <c oughs> นะทําอยู่สองสามวันหนึ่งเนี่ยเพราะมนบอกสามปีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเจ้าบอกเจ็ดปีนะลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะ <c oughs> จริงเรื่องนี้อาตามาเขียนไว้แล้วนะอาสหมาเขียนในหนังสือไว้แล้วเดี๋ยวไปอ่านเอานะคือบุญบุญเนี่ยมีบุญกับกุศลสองอันนะบุญเนี่ยมีสิบอย่างนะบุญมีสิบอย่างตันะ้งแต่การทำทานทำทานถือศีลนะภาวนานะการแสดงธรรมการฟังธรรม การแผ่ส่วนบุญการอนุโมทนาบุญเการช่วยเหลือกิจการที่เป็นกุศ ล, ลนี่เป็นบุญทั้งหมดการทําความคิดความเห็นให้ถูกต้องคือฟังคําสอนของผู้เจ้าให้รู้เรื่องให้เข้าใจนี่เป็นบุญใหญนะ่นี่บุญจะได้บุญมากบุญน้อยก็อยู่ที่เงื่อนไขนะมีเงื่อนไขหลายอย่างเดี๋ยวไปอ่านเอานะเขียนไว้ให้ละมีอีกนิดเดียวมีประ น, นท่านบอกว่าการให้ทานาเป็นการหททเป็นทานเป็นการชนะกให้ทัอนคาจอยขอคนี้คือหลักของการทำบุญทำกุศลเนี่ยบุญใดกุศลใดที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมีอา น, นิสงส์มากมีผลมากนะบุญที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยมีผลน้อยอา น, นิสงส์น้อยนะอย่างการเรามีเงินเยอะมีเงินพันล้านไปแจกเขาล้านหนึ่งเนี่ยนะ แจกไปแล้วอาจจะเกิดอกุศลก็ได้เช่นรู้สึกภูมิใจว่าโอ้ฉันดีต้องถ่ายรูปไปลงหนังสือพิมพ์ด้วยอย่างเงี้ยได้นาได้ตาถ้าคนมาถ่ายรูปน้อยไม่สบายใจหนึ่งอย่างนี้ดไม่ได้ประกอบด้วยสติปัญญาแต่ว่าถ้าการจะให้ทานให้ทําเป็นทานเนี่ยหมายถึงว่าเรามีธรรม ะ, ะเรามีธรรมะก่อนเราถึงจะให้เขาได้พิมพ์หนังสือแจกน่ยไม่ใช่ธรรมทานนะเป็นวัตถุทาน นะเมื่มีเงินก็ไปพิมพ์หนังสือแจกได้แต่ถ้าจะมีธรรมทานเนี่ยคนนี้ไม่มีศีลสอนให้รู้จักมีศีลนี่เรียกว่ามีธรรมทานนะคนนี้ไม่เคยทําทานเลยสอนให้รู้จักทําทานเรียกว่าเรามีธรรมทานคนนี้ทํำสมาธไม่เป็นทํำมิปัสนาไม่เป็นสอนให้เขาทําเป็นเรียกว่าธรรมทานเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทําธรรมทานเราก็มีธรรมะก่อน เราเราถือศีลเป็นแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าถือศีลแล้วดีนะอะไรเงี้ย่นึ่นะงนี้เรียกธรรมทานพิมพ์หนังสือแจกเป็นวัตถุทานนะเพราะเสียสตัง ไม่พอนะคือเราเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขนาดเนี้นะเราต้องเอาประโยชน์จากพสาสนาให้ได้เยอะกว่านี้อีกนะอย่างการที่เราทําความดีอะไรต่ออะไรนะทําทานทําถือศีลอะไรเงี้ยเข้าวัดนะแต่ทิฏฐิเรานะเรายังไม่แจ้งหมายถึงว่าถ้าเรายังไม่ได้ทำนี้ปรัชนานะเนีกว่าเรายังได้ประโยชน์จากศาสนาพุทธไม่เต็มที่ เพราะว่าการทําทานการถือศีลการทําสมาธิเนี่ยถึงไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันอยู่แล้วในศาสนาต่างๆก็มีนะแต่ว่าการที่เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนวิธีจเจริญวิปัสสนาเนี่ยนานๆถึงจะมีสักว ง, งหนึ่งถ้าเราเป็นมนุษย์ที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอย่างขนาดอย่างโยมพวกเราทุกคนนี่นะร่างกายจิตใจสติปัญญาเนี่ยสมบูรณ์พร้อมเราควรจะเรียนธรรมะให้ได้มากที่สุด คือจะหัดต้องหัดเจริญวิปัสนาหัดเจริญสติให้ได้ต้องค่อยๆฟังต้องค่อยๆเรียนจกนกระทั่งวันหนึ่งจิตของเราตื่นขึ้นมาจริงๆนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่การไปอ่านมาเยอะๆหรือการที่เราเข้าใจจำได้เยอะคิดได้เยอะแตนะธรรมะอยู่ที่การที่เราสามารถเข้ามาประจักษ์กับสภาวะของกายของใจจริงๆนะเราเห็นเลยความรู้สึกทุกชนิดไหลขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะอันใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดรู้ถูกเข้าใจถูกว่าเราไม่มีจริงๆหรอกถ้าอย่างนี้เรียกว่าเราได้ประโยชน์จากศาสนาพุทธเต็มที่แล้ว คือโยมมาไม่ทันนะเมื่อเช้าทมาพูดให้พวกเราฟังไปรอบหนึ่งแล้วนะคือก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติมีปัสศนาหรือจะทํามรรคผลนิพพานให้แจ้งนะขั้นแรกสุดเราต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะต้องรู้จักตัวเองก่อนเพื่อจะเลือกวิธีปฏิบัติให้ถูกกระจริตของตัวเอง เราอย่าไปเลือกจริตเพราะว่าเรานับได้ เ, เลือกวิธีปฏิบัติเพราะเรานับถืออาจารย์นี้เราจะทําอย่างที่อาจารย์นี้สอนขั้นแรกวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ก่อนจริตของการทํามิปัสนามีสองจริตคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตเราต้องดูว่าเราเป็นตัณหาจริตหรือทิฏฐิจริตตัณหาจริตเนี่ยคือพวกโลภมากอยากได้โน้นะอยากได้ น, น, ดนี่รวมถึงพวกที่อยากสงบด้วย วันๆไม่อยากสูงสิงกับใครอยากปิดบ้านหรือเข้าถ้าอยู่คนเดียวในปา่าแล้วสงบสบายมีความสุขนะอย่างนี้เรียกว่าตัณหาจริตพวกที่มีตัณหาจริตเนี่ยควรจะรู้กายจเจริญกายญ า, านุปัสสนาสติปัฏฐานนะอีกพวกหนึ่งคือพวกคิดมากพวกชอบคิดนะหาเหตุหาผลมีความสุขกับการผกผันเะนี่ยหรือเจ้ารัตที่เจ้าอุดมการณนะ์พวกนี้เรียกว่าทิฏฐิจริต พวกที่ตีจริตเนี่ยเหมาะกับการตามรู้จิตหรือจิตต า, า, านุปัสสนางั้นขั้นแรกสุดเรวิเคราะห์ตัวเองก่อนอย่างของโยมเนี่ยจะเป็นที่ตีจริตนะคือชอบคิดชอบคิดเนี่ยเหมาะที่จะดูจิตนีต่อไปเราก็ต้องเริ่มวิเคราะห์ต่อนะการที่เราจะรู้กายเนี่ยมีเงื่อนไขว่าควรจะทําสมาธิก่อนนะเ ป, นเป็นสมาธินําปัญญานะส่วนการจเจริญจิตตานุปัสสนาเราใช้ปัญญานําสมาธิเอา มันเหมาะกับวิปัสนาอย่างนี้ทําวิปัสนาเลยนะแล้วสมาธิเกิดทีหลังเพราะฉะั้นถ้าเราวิเคราะห์ได้ว่าเราเป็นพวกตัณหาจริตพวกโลภมากพวกอยากสงบอยากสบายอยากมีความสุขเนี่ยเราจะรู้กายเราก็จะต้องมาทําสมาธิทําใจให้ตั้งมั่นซะก่อนนะถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอจะไปรู้กายไม่ค่อยได้ผลจริงจะไปเพ่งเอาส่วนมากจะไปเพ่งกายเช่นเพ่งลมหายใจแล้วก็เคลิมไปเลยขาสติ เพ่งอะไรก็มักจะเคลิ้มเคลิมลืมตัวเองนิดตกลงสมมติว่าเราเป็นตัณหาจริตแล้วเราจะต้องรู้กายนะเราจะต้องทําสมาธิเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ตัวเองก่อนอีกว่าเรามีจริตอะไรนะจริตสําหรับการทําสมาธิมีหกงานราคะจริตโทสะจริตโมหจริตอะไรเงี้พวกเราเคยได้ยินอันนี้กันแต่เราไม่ค่อยได้ยินเรื่องตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตนะนั่นเราจะคุ้นเคยกับจริตในการทําสมถะ อย่างราคะจริตให้ไปพิจนาสุภาษ์เนี่ยโทสะจริตให้ไปแผ่เมตตาแผ่แล้วสงบนะจิตมีราคะมากพิจนาสุภาพิจนาแล้วสงบเนี่ยเพราะงั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีนิสัยมีจริตอะไรถ้าเป็นพวกราคะมากเราก็พิจนาสุภาษ์จิตสงบพอจิตสงบแล้วเนี่ยมาตามรู้กาย รู้รูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกมันจะเห็นรูปไม่ใช่เห็นตัวกายนะเห็นรูปรูปกับตัวกายนี่คนละอันกันอย่างมือเท้าท้องนี่ไม่ใช่รูปนะผมขนเล็บปันหนังไม่ใช่รูปนะแต่ในผมหนึ่งเส้นมีรูปหรืออย่างนี้เห็นมือมือไม่ใช่รูปนะสิ่งที่มองเห็นด้วยตาจริงๆคือสี สีที่ตัดกันเป็นรูปมือนี่ตัวรูปหรือไอ้ตัวก้อนเนี้ยถ้ารู ls, ้สึกมันเป็นก้อนธาตุเนี่ยจะรู้สึกในรูปถ้ารู้สึกนี่ขาเราเนียไม่ใช่รูปนะสัมผัสดูจับดูรู้สึกไหมมันแข็งแข็งเนียถ้ารู้สึกถึงความแข็งจะเห็นเลยว่ามันเหมือนไม่ใช่ตัวเราอะรู้สึกไหมแต่ถ้ารู้สึกว่าเราจับแขนมันจะเป็นแขนเราขึ้นมาเลยแต่ถ้ารูปลงไปแล้วรู However, ้สึกถึงความแข็งของมันเนี่ยเราจะรู้เรื่องรูปละ นี่เป็นธาตุกรรมฐานนะกายานุปัสสนาแบบใช้ธาตุกรรมฐานนี่คือธาตุดินสัมผัสธาตุดินคือความแข็งพนะอสัมผัสลงไปปุ๊บจะเห็นรูปเพราะฉะนั้นการรู้รูปจริงๆยากนะรู้รูปจริงๆยากมากนะนี่พวกเราพวกนักคิดทั้งหลายนะส่วนมากจิตใจฟุ้งซ่านทําสมาธิยากนะมาตามรู้จิตใจนี่ง่ายกว่าอย่างความโกรธเกิดขึ้นมาคอยรู้นะความโลภความหลงเกิดขึ้นมาคอยรู้ ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้คอยสังเกตไปว่าทุกอย่างมันของถูกรู้ถูกดูจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกับรูปไม่เกี่ยวกับนามธรรมานั้ น, นทั้งรูปทั้งนามเป็นของถูกรู้ถูกดูคอยรู้ไปเรื่อยๆอ้าวคุณผู้ชายนะั่ะทำอะไรเมื่อกี้นี้ทำอะไรทราบไหมคิดนะรู้สึกไหมเราลืมกายลืมใจของเราเอง นะเนี่ยพอเราฟังเสียงปุ๊บฟังไปคิดไปรู้สึกไหมไม่ใช่ฟังอย่างเดียวแต่เดิมเราคิดว่าเวลาฟังเนี่ยฟังอย่างเดียวแต่พอเรามาหาจริญสติเราจะรู้เลยเราฟังไปคิดไปนะแล้วคิดมากกว่าฟังรู้สึกไหมเออเนี่ยเริ่มรู้ตามความเป็นจริงแล้วใช่เราคิดมากกว่าฟังถ้าฟังแล้วไม่คิดอะไรจะเกิดขึ้นจะฟังไม่รู้เรื่องนะงั้นสังเกตให้รู้ทันจิตไปฟังรู้ว่าฟังจิตคิดรู้ว่าคิด ในสุดพอรู้ทันเราจะตื่นขึ้นมาคล้ายๆตอนนี้รู้สึกไหมตื่นมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้จิตแข็งอยู่นิดนึงแล้วทราบไหมเริ่มเกร็งอ่ะทราบไหมให้รู้ทันมันนะรู้ลงไปตรงๆเลยเมื่อกี้ทำอะไรคุณผู้หญิงเนี่ยนเนี่ยเนี้ยอ่ะคนนี้ไม่ทนันละคนนี้อารมณ์เสียนละเนี่ยซึมไปละรู้ไหมนะรู้สึกตัวขึ้นมารู้จักใจลอยไหมโยม อใจลอยรู้ว่าใจลอยเลยนะรู้สึกไหมเราลืมตัวเราเองใชมาสนใจสมาเลยลืมตัวเราเองไปนะเออเนี่ยเราคอยรู้สึกตัวไว้นะหัดรู้กายหัดรู้ใจตัวเองศัตรูของการจะรู้กายรู้ใจตัวเองนมีสองนั่นนะหนึ่งหลงไปข้างนอกเลยหลงไปที่อื่นลืมตัวเองอีกงานหนึ่งนั่ ง, งเพ่งนั่งจ้องเอาไว้นะเงั้นสุดโต่งสองข้างงั้นอย่าให้ใจหลงไปสุดโต่งสองข้างเนี้หลงไปแล้วรู้ไหมนะพอหลงไปแล้วลืมยังหลงไม่เลิกรู้ไหม อ่ารู้สึกตัวขึ้นมาอ่าอะไรนะไ ม, ม ไ, มไม่ไม่พิจารณาให้รู้ความรู้สึกของตัวเองมันรู้สึกยังไงก็รู้ไปเรื่อย ไ, ไม่จับอย่าจับใ ห, ให้รู้สึกรู้สบายสบายอย่าจ้องไว้ก่อนนะหลักของไม่เพ่งไม่เพ่งนะหลักของการรู้กายหรือรู้จิตเนี่ยมีหลักสามข้อเหมือนเหมือนกันะจะรู้กาย ก่อนจะรู้นะทำยังไงระหว่างรู้ทําไงรู้แล้วทํำยังไงจิตก็เหมือนกันอย่างก่อนที่เราจะรู้กายหรือรู้จิตเนี่ยอันแรกเลยอย่าอยากรู้นะถ้าอยากรู้อยากปฏิบัติปุ๊บเราจะตั้งท่าปฏิบัติเราจะเริ่มตั้งท่ารู้สึกไหมเริ่มวางฟอร์มอะ่นะวางฟอร์มทางกายแล้วก็ทําให้สวยงามนะทางใจเราก็เริ่มทําคลึมๆคลึมเสร็จแล้วก็นั่งจ้องไว้นี่ผิดแล้วนะท่านไม่ได้สอนให้แกล้งทําอย่างนั้น ท่านบอกว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนง้นเพราะฉะนั้นก่อนจะรู้นะอย่าอยากรู้อย่าตั้งท่ารู้อย่างถูกเ้าด่าปุ๊บโกรธปุ๊บรู้ว่าโกรธเนี่ยปฏิบัติแล้วนะ ท, ที่ผมเข้าใจตามคือไม่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสายอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปาจ้องห้ามจ้องอย่าไปจ้องไว้ก่อนนะคือผมไม่รู้ชื่อที่จะผิดจะบอกคือช่วงที่เราทุกข์มากๆคือผมว่าฝึกวิบัตสเอ๊ะสมัญฐานมาอย่างเดียวแล้วนั่ง อ, าาอันนี้ก็เป็นเรื่องจิตมันสอนเรานะพอคิดถึงพรหมวิหารสี่เดี๋ยวจะได้หายโกรธนะจิตมันสอนธรรมะเปลีมม่ยนความในจิตมันเดี๋ยวเปล่บบมันเป็นลาาักษณะนะจิตมันสอนนะเราก็หัดแผ่มเมตตาหัดอะไรไปอ่ะจานเชิญจ า, าน อาจารย์ถามดีมากเลยเป็นคำถามที่ชอบมากเลยถามเรื่องปฏิบัตินี่นะชอบนะคือเราอยากบรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องรู้ก่อนว่ามรรคผลนิพพานคืออะไรนะถ้าเราไม่รู้จักว่านิพพานคืออะไรนะไปเดินชนกับ น, นิพพานเราก็ไม่รู้จักนะนิพพานเนี่ยมีชื่อหลายชื่อนะนิพพานมีชื่อหนึ่งว่าวิราคะวิราคะคือพ้นจากความอยากนะพ้นจากตัณหาพ้นจากความอยากพ้นจากความโลภ นิพพานมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิสังขารพ้นจากความปรุงแต่งให้เราสังเกตเข้ามาที่ใจเราเลยใจของเราเนี่ยเดี๋ยวมีความอยากเกิดขึ้นทั้งวันความอยากเกิดขึ้นรีบรู้ไวๆนะกระทั่งอยากปฏิบัติความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นเรารู้ทันมันเลยนะปรเดี๋ยวก็อยากดูอีกแล้วได้ยินเสียงอะไรแว่วๆอยากดูอยากดูรู้ว่าอยากดูอยากฟังรู้ว่าอยากฟังอยากคิดรู้ว่าอยากคิดอยากปฏิบัติรู้ว่าอยากปฏิบัติ ถ้าเมื่อไรรู้ทันความอยากเห็นความอยากดับหมดนี่นะก็จะเจอนิพพานเลยนะเพราะนิพพานคือความไม่อยากพ้นจากความอยากนะหรือถ้าดูความอยากไม่ออกก็ให้ดูความปรุงแต่งสังเกตแม่ใจของเราทํางานทั้งวันนะเดี๋ยวก็ทํางานที่ดีๆเดี๋ยวก็ทํางานร้ายร้ายนะเนี้ยเนี้ยเนี้ยใจแอบไปทํางานแล้รู้ไหมเสื้อขาวเนี่ยนะใจของเราแอบไปทํางานทั้งวันนี้ไปทางตาไปดูเขาลืมตัวเองนะคือใจเราเนี่ยแอบไปทํางานตลอด เดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปคิดนะทำงานทั้งวันถ้าเมื่อไร่เราสามารถรู้ทันจิตที่แอบไปทํางานการทํางานนี้จะดับไปจิตจะพ้นความปรุงแต่งแล้วนะถ้าพ้นอย่างหมดจดจริงๆนะก็จะเจอนิพพานลนะเพราะนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งงั้นอยากปฏิบัติเอาให้สั้นที่สุดเลยนะรู้ทันใจของเราไวนะ้ถ้ามีความอยากเกิดขึ้นให้รู้ถ้ามันแอบทํางานมันวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งมาทางใจให้รู้ไว นะเอาอันเดียวนี้แหละทีนี้าลไม่สามารถที่จะหนิเต็มที่ได้โดยเฉพาะกรณีบน้อยคือศีลเนี่ยศีลมีหลายแบบนะศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเ็ดเนี่ยเป็นศีลเชิงจริยธรรมนะเพื่อว่าถือศีลอย่างนี้แล้วก็อยู่กับโลกได้ดีสบายไม่เบียดเบียนคนอื่นนะ แต่ศีลของนักปฏิบัติมีอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอินเซียสังวรศีลมีข้อเดียวเองนะคือความเป็นปกติของจิตใจอินเซียสังวรศีล น, นี่เราทำตอนไหน ต, ตามองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่ใจมีสติรู้ทันสมมตินะสมมรจารย์เราเห็นเด็กคนหนึ่งเดินมาคนนี้ลูกศิษย์เราเราดีใจพอใจเรารู้ว่าเราพอใจนี่เ ร, เรียกว่าเรามีศีลแล้วความพอใจจะครอบงาใจเราไม่ได้ใจเราเป็นกลางมีศีล น, นะ เห็นอีกคนหนึ่งศัตรูเราเดินมาเราเกลียดมันความยินร้ายเกิดที่ใจเรารู้ทันนะความยินร้ายครอบงำใจไม่ได้ใจเป็นปกติไม่ถูกความยินร้ายครอบงำนี่เรียกว่าใจมีศีลเพราะสีน้ศีลจะเหลือข้อเดียวนะว่าจิตขณะนั้นเป็นปกติหรือจิตขณะนั้นถูกกิเลสครอบงำนันะ เ, เ, เ, เพราะฉะนั้นดูตาเห็นรูปรู้เห็นมดเดินมาอยากบี้นะมันก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่ง บ้านแกทําขนมขายดังมากเลยอยู่ที่ชาเชียงสาวแล้วแกเกลียดมดถ้าเห็นมดดํานะเดินเข้าแถวจะดีใจบี้มันทั้งแถวเลยนะทีเดียวเกลียดแล้วแกก็บอกว่าแกอยากละอันนี้บอกให้แกรู้ที่ใจแกนะเห็นมดดําแล้วอยากบี้ให้รู้ว่าอยากบี้นะทําได้ไหมอ้าวจะลองดูแกนั่งตรงเนี้พอแกบอกแกจะลองดูนะมดดาขึ้นมาตรงนี้เป็นแถวเลยนะ แหมมีของให้ลองดูเลยนะในสุดไม่บี้เห็นว่ามันอยากบีน้เนี่ยศีลมันเกิดเงั้นศีลจริงๆก็คือเมื่อไรกิเลสครอบงําจิตไม่ได้ศีลจะเกิดเองยกตัวอย่างสมมติว่าคนนี้มันด่าเรามันด่าเราเราเห็นความโกรธเกิดที่ใจความโกรธก็เลยครอบงําใจเราไม่ได้เราก็ไม่ไปทํากิดีลสเขาหนึ่งนะไม่ไปทําร้ายเขา ไม่ผิดศีลข้อสี่ไม่ไปด่าเขาเราเดินเดินอยู่เห็นคนเขาทำโทรศัพท์มือถือตกแหมรุ่นใหม่ถ่ายรูปได้ด้วยเราอยากได้อยากได้เรารู้ว่าอยากได้ความอยากครอบงำใจไม่ได้แล้วก็ให้เจ้าของมาเอาคืนไปไม่ใช่ดีใจแล้วรีบว่าเพราะฉะนั้นผิดศีลห้าเนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงำจิตได้แต่ถ้ามีสติกิเลส จ, จะครอบงาจิตไม่ได้ศีลห้ามันจะเกิดอัตโนมัติ งั้นถ้าอาจารย์ถือศีลห้าโดยการรักษาศีลห้าข้อเนี่ยจะถือยากมากเลยแต่ถ้าอาจารย์รักษาใจอันเดียวนะง่ายเลยสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งะไปทูลลาพระพุทธเจ้าบอกว่าขอศึกศีลเยอะเกินไปรักษาไม่ไหวพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าให้มีศีลข้อเดียวจะได้ไหมท่านบอกว่าถ้าข้อเดียวท่านเอานะไม่งั้นถ้าหลายข้อท่านจะศึกแล้วทนไม่ไหว พี่เจ้า บ, บอกให้รักษาใจตัวเองอันเดียวกนะิเลสเกิดที่ใจให้มีสติรู้ทันเรื่อยๆนี่ปรากฏว่าศีลอื่นครบเลยนะงั้นหัวใจของศีลอยู่ตรงนี้เองมีสติรู้ทันจิตของเราไว้นะหัวใจของสมาธิอนกะ็เหมือนกันอีกกับมีสติรู้ทันจิตของเราไว้ให้ดีนะจิตที่ไม่มีสมาธิคือจิตที่มันเร่ร่อนไปนะจิตมันร่อนไปทางตาร่อนไปทางหูร่อนไปเคลิม้มเคลิม้มทางใจนะ ถ้าเรามีสติรู้ทันจิตมันตั้งมั่นไม่หลงไม่ไหลไปจิตก็เกิดสมาธิอัตโนมัติอีแล้วแล้วอยากมีปัญญาล่ะอยากมีปัญญาก็มีสติรู้ทันอยู่ที่จิตของเรานี่แหละเกิดปัญญาเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวจิตก็รู้ตัวเดี๋ยวจิตก็เผลอเดี๋ยวจิตขาดสติเดี๋ยวจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเราเห็นจิตนานาชนิดหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตทุกชนิดไม่ว่าดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปหมดเลยนี่เรียกว่าปัญญา งั้นอยากปฏิบัติแบบรัสดสั้นนะมีสติรู้ทันใจของเราไว้ได้ครบเลยศีลสมาธิปัญญาเข้าใจไหมไหนใครไม่เข้าใจยกมือขึ้ น, นถ้าเข้าใจเราจะได้กลับบ้านได้แล้ <c oughs> วโคลานโคลาน ความคิดกับจิตนี่คนละอันกันนะเอางี้สังเกตไหมเวลาเราคิดคิดบางทีนะคิดไปแล้วรู้ส so ึกสบายใจร yes? ู้สึกไหมว่าคิดกับสบายใจคนละอันกันความคิดกับความสบายใจอะคนละอันกันใช่ไมมเดี๋ยวนี้ค่อยๆหัดแยกงี้ก่อนคิดคิดเรื่องนี้เรากลุ่มใจรู้สึกไหมคิดเรื่องธุรกิจเราโอไม่ค่อยสวยเลยกลุ่มใจเห็นไหมความคิดกับความกลุ่มใจคนละตัวกันใช่ไหมเดี๋ยนี้ค่อยหัดแยกไปเชิญจานไป คืออย่างี้จิตอยู่ที่ไหนผู้เจ้า ก, ก็บอกนะจิตอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่ได้มีที่ตั้งถาวรบางคนว่าตั้งที่นี่ตั้งที่นี้นะอย่าไปตั้งมันนะตั้งหาที่ตั้งให้มันจะเป็นสมถนะความจริงจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณนะ์เพราะงั้นอย่างตาเรามองเห็นรูปรู้รูปจิตเป็นคนรู้รูปนะจิตเกิดทางตา จิตได้ฟังเสียงรู้เสียงจิตเกิดทางหูจิตไปคิดคิดดีคิดร้ายจิตเกิดทางใจเพราะฉะนั้นจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกจิตไม่ได้เหมือนแมงมุมนะแมงมุมมีอยู่ตัวเดียวเกาะอยู่กลางใหญ่แล้วก็วิ่งไปทางโน้นทีทางนี้ทีจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่จิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกเพราะฉะั้นจิตไม่มีที่ตั้งถาวรตั้งมาเคยถามหลวงปู่ดูลนะบอกผมจะเอาจิตไปตั้งตรงไหนดีท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้ง ความจริงก็คือจิตมันไปอยู่กับอารมณ์นั่นเองเกิดดับอยู่ทางถวาวรทั้งหกในข้อสองว่าอะไรนะจิตกับสมองสมองเนี่ยคล้ายๆเป็นออฟฟิศของจิตเป็นที่ทํางานของจิตสําหรับมนุษย์นะสําหรับเทวดาไม่มีมันสมองนะั้นต้องไปผาหัวเทวดาเนี่ยไม่เจอมันสมองนะเพราไม่มีมัสเกะมัตตลุงขังนะถ้าเราสังเกตให้ดีนะสมองมีหลายส่วนสมอง ส่วนที่เป็นแกนมันจริงๆนะมันเป็นสมองของสันเลือล้อยขลังทาหน้าที่เพื่อจะดำรงชีวิตธรรมดาเนี่ยหายใจไปนะกินอาหารอะไรต่ออะไรเคลื่อนไหวร่างกายนะพวกนี้ไม่คิดอะไรสมองที่พัฒนาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นสมองที่จะเกิดกูหลนและอกูหลนได้ส่วนมากจะเกิดกิเลสจะเป็นสมองเหนือเหนือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งส่วนสมองที่ใช้เหตุผลนี่เป็นสมองด้านบนของมนุษย์ แล้วมีสมองที่น่าสนใจอีกส่วนสมองข้างหน้านตรงนี้ถ้าเมื่อไรจิตเป็นสมาธิจิตเข้าสมาธิเลือดจะมาเลี้ยงสมองตรงนี้เยอะจิตจะรู้สึกผ่อนคลายจิตใจจะผ่อนคลายมีความสุขแล้วก็จะรู้สึกมันสว่างอันนี้นักวิทยาศาสตร์มันค้นพบมาแล้วนะนี่พูดตามนักวิทยาศาสตร์นะไม่ได้คนเองนะเคยผ่าหัวใครดูแต่ว่าเวลาเราลงมือปฏิบัติรู้สึกไหม เวลาจิตเรารู้สึกตัวนะมันจะโปร่งใสนะ่องใ ส, นะงใสเวลากิเลสเกิดรู้สึกไหมมันจะเตี้ยลงมานะกิเลส จ, จะเกิดเตี้ยเตนะ <Yeah. S 1> ี้ยนะไม่กิเลไอจิตเนี่ยนะอาศัยสมองเป็นแค่ห้องทำงานของมันนะ คือถ้าถ้าอาจารย์อยากให้เร็วที่สุดนะก็คือให้คอยมีสติไว้อย่าลืมตัวเองอาจารย์รู้จักเผลอไหมเผลอใจลอยนะวันวันหนึ่งเราเผลอเยอะอย่างเราเผลอบางคนเผลอรุนแรงก็จะคิดทั้งวันเลยคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไปเรื่อยๆแล้วลืมตัวเองอย่างนี้เผลอสุดขีดขาดสติสุดขีดเลยอันที่สองเนี่ยเผลอไปคิดเรารู้เรื่องที่คิดนะแต่เราลืมตัวเองอย่างขณะนี้อาจารย์รู้สึกไหม อาจารย์ฟังอาตมาพูดใช่ไหมฟังแล้วก็คิดตามอาจารย์รู้สึกไหมขณะที่อาจารย์คิดตามเนี่ยอาจารย์ลืมกายลืมใจตนเองอาจารย์ดูออกไหมนะเราลืมกายลืมใจแล้วเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัตินะเมื่อไร่รู้กายรู้ใจตัวเองเมื่อนั้นได้ปฏิบัติพวกนี้คอยรู้สึกนะรู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่างจิตตอนเนี้หนีไปคิดอาจารย์ทราบไหมเนี่ยนะพอมันคิดเราก็ลืมกายลืมใจนะ ง่อาจารย์ถอยรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆอยากจะขอการเดาถามนิด น, นึงว่า เ, เมื่ออยากจะเรียนรับให้ให้ให้ได้เร็วที่สุดเนี่ย อ, อ, อยากจะกลาวเพียนถามว่าท่านพระอาจารย์จะมีเวลาให้กับพวกเราวันไหนอย่างไงแล้วก็ช่วงไหนยังไงบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าเราพอมีเวลาแล้วคนจะได้พยายามมาให้ให้ให้เนี่ยโยมดูกระดานนะมี กระดานวันที่อาตมาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็โทรมาเช็คเขาได้มีเวลาเฉพาะตอนเช้าหลังน่าตอนเช้านะใช่ใช่เพเวลาอื่นทำอย่างอื่นนะไม่มีเวลาให้แกาเลยอใช่ใช่อ้าวอาตมาก็มีทุล้างอาตมามั้งสิเอ้อ คือจริงๆเนี่ยนะที่สำคัญนะต้องมาเรียนให้รู้วิธีปฏิบัตินะรู้วิธีเจริญสติพอเมื่อเจริญสติเป็นแล้วอย่ามาอยู่ในวัดนะไปอยู่ในที่ที่ต้องอยู่นั่นแหละนะเคยอยู่ขับรถอยู่บนถนนเจริญสติบนถนนกลับบ้านเจริญสติในบ้านนะเข้าที่ทำงานเจริญสติในที่ทำงานต้องทำให้ได้ตรงนั้นนะไม่ใช่มาทำในวัดนะงั้นเราใช้ชีวิตอยู่ตรงไหนเราก็ไปเจริญสติตรงนั้น ถึงจะได้ผลแต่มาสมัยก่อนไปเรียนจากหลวงปู่ดูลไปเรียนมานะ้ตั้งแต่ศึกษากับท่านทุกวันนะเฝ้าดูจิตตัวเองตลอดตื่นนอนตอนเช้าเลยะตื่นเช้าม า, านึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งนับนึกได้ว่าวันนี้วันศุกร์จิตใจสดชื่นเนี่ยหัวใจข้าราชการลนะ่ะหัวใจข้าราชการวันจันทร์แห้งแล้งวันศุกร์สดชื่นะเนี่ย พอมันสดชื่นรู้ว่าสดชื่นเลยยังไม่ทันลงจากเตียงนอนเลยรู้ละรู้ทันใจตัวเองน ะ, นะวันนี้แห้งแรงรู้ว่าแห้งแล้งเลยต่อมาไปอาบน้ําถือว่าอาบน้ําในตุ่มอากาศเย็นๆอย่างวันเนี้ยตามองเห็นตุ่มน้ําใครเคยอาบน้ําในตุ่มมั้งเวลาอากาศหนาวๆเห็นตุ่มแล้วรู้สึกยังไงะสดชื่นไหม <c oughs> สยองสยองรู้ว่าสยองนี่ปฏิบัตินะต่อมาไม่เคยไปนั่งเฝ้าครูบาอาจารย์อยู่แล้วเพื่อจะปฏิบัติเลย นะแต่ปฏิบัติในชีวิตจริงๆ เ, เวลาทานข้าวเห็นแต่กับข้าวที่ชอบใจรู้สึกยังไงหรือวันนี้มีแต่กับข้าวที่แม่บ้านชอบไม่มีของเราชอบเลยรู้สึกงไงชักจะโมโ oh หแม่บ้านด้วยซ้ำไปเนะนี่ยรู้อีกนะจะมาขึ้นรถไปทํางานไปขึ้นรถเมย์นะทํางานใหม่ๆไม่มีรถขับที่ป้ายรถเมย์มีคนห้าร้อยคนห้าร้อยนี่สํานวนแบบพระเตยปิดอกนะห้าร้อยคนบางวันมาแปดหมื่นสี่พันคนเต็มป้ายรถเมย์รู้สึกยังไง อีกวันหนึ่งออกมาดูไม่มีคู่แข่งเลยรู้สึกยังไงความรู้สึกเนี้ไม่เคยเหมือนกันเลยนะเห็นรถเมยแน่นๆมารู้สึกยังไงมีรถเมยว่างมาแล้วดีใจใครเคยขึ้นรถเมยรถเมยว่างดีใจใช่ไหมพอรถเมยว่างมันไม่ชอบจอดนะถ้ามันจอดเก่งมันไม่ว่างนะนี่เป็นเหตุผลธรรมดาเลยมันไม่จอดปุ๊บจากดีใจเปลี่ยนเป็นโทสะรู้ว่ามีโทสะปฏิบัติอย่างนี้โยมอาจารย์ไอสิ่ ง, งาาที่อาจารย์พูดมา เคยปฏิบัติอย่างอย่างที่อาจารย์พูดมาปฏิบัตินั้นเนี่ยบางอาจารย์บางสายเนี่ยมันปฏิบัติยังไม่ได้จริงต้องตั้งแต่ตอนนี้ไปเยถึงจะจาไดถา้ถ้าบอกว่ามันมันจะเข้าไปใ น, ในความคิดเลยก็โตนเข้ใ น, ในความคิดตอลอดไม่ใช่สิเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือความรู้สึกตัวอะไรคือความคิดค<น>เพราะง<น>ันะ้นอาจารย์มาถึงเขี่ยวเข็นโยมไงจะพูดมากจะถาม เนะีหลงไปคิดรู้ว่าคิดรู้สึกไหมเนี่ยถึงต้องตื่นอย่างนี้ตัวก็รู้ใจก็รู้เออนะต้องอย่างนี้นะแต่เขาบอกว่าเรากระนเข้าไมหาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา <c oughs> แต่ เ, เดิมอะเรากระโจนจริงนึกออกไหมเพราะว่าอะไรเพราะจิตเราไม่ตั้งมั่นแต่ตอนนี้จิตมันถอดออกมาแล้วรู้ไหมจิตมันถอดถอนออกมาตั้งมั่นขึ้นมาดูออกไหมแล้วมันจะกระโจนได้ไงเขาบอกนะให้ทำตนะั้งความรู้สึกตัวให้มาอ่นั้นเขาบอกพระพิาจารณาเคยสอนไหม ก็คอคิดรางรูบบให้ีความรู้สึกตัวมากๆารู้สึกตัวนะแล้วจะเป็นได้เองเพราว่าเป็นเป็นใบตาที่พระอาจารย์เนี่ยแล้วมันเป็นไหมทำมากี่ปีอ่ะอคุณเริ่มในสองพันอ๋องั้นก็เร็วนะนี่เป็นแล้วรู้สึกขึ้นม า, านะก็ลววองยอมรับดีเผลออีกแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงมันเผลอเนี่ยเร็วเออรู้สึกนะต้องเรียนให้รู้เรื่องเรียนให้รู้เรื่องแล้วเห <นะ S 1> ลือสั้นนิดเดียวใช่ม ถ้าเรียนไม่รู้เรื่องนาะงยาวไม่รู้จักจบเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมยังไม่เลิอกอะ่ะรู้ไหมไม่หลุดออกมารู้ไหม <c oughs> เออนิดๆก็ไม่เอา <c oughs> นะจิตยังไปติดอยู่นะรู้สึกไหมคราวนี้ไม่หลุดนะบังคับไม่ได้รู้สึกไหมบังคับไม่ได้รู้ว่าบังคับไม่ได้จิตเข้าไปติดอยู่รู้ว่าติดอยู่นะอยากให้หลุดไหม <c oughs> เออคอยดูไปนะเพราะงั้นไม่กระโจนกระโจนเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยนะเนี่ยกระโจนลนะดูออกหรือยังถ้าดูออกนั้นก็ไปทำเองได้นะเนี่ยไปอีกละดูออกไหมแล้วไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้ไปด้วยนะแต่ไปแล้วก็คอยรู้ให้มันไปก่อนแล้วก็รู้ว่ามันไปทำไมมันต้องไปก่อนเพราะจิตมันต้องหลง นะจิตเราไม่ใช่พ้าอรหันต์จิตยังไหลไปหลงไปแล้วก็มีสติรู้ว่ามันหลงไปเรียกว่าตามรูนะ้นี่คือการตามรู้ทันทีที่ตามรู้จิตตื่นขึ้นมาอย่างนี้รู้อยากยัางจิตตื่นนะเรียนได้เร็วนะมาเรียนสองสามทีตื่นได้เนี่ยอาจารย์จุนก็ตื่นเหมือนกันหลยแต่ชอบแกล้งหลับ <c oughs> นะาอาจารย์ตื่นเป็นแล้วล่ะไป <c oughs> แกล้งหลับไม่ไมเ <c oughs> นี่ยไปละรู้ไหม หนีเที่ยวแนละ้วหนีไม่เลิอกอะ่ะรู้ไหมอย่าไปจ้องใส่มันนะเห็นไหมสุดโตอีกแล้วเริ่มบังคับตัวเองแล้วรู้ไหมงัม้นรู้ลงไปทันกิริยาของจิตลงไปทีลักษณะดีลักษณะอา้าคนอื่นส่งกันบ้านบ้างเหลือเวลาห้านาทีอ่ะบอยว่าไง เออดีนะทําไมมันหายตามยถากรรมอ่ะมันจะมีอยู่ขาวหนึ่งที่ว่าเรากำลังรู้ตัวอยู่เนี่ยคือผมรู้ตัวแล้วก็มันก็ยิ่งว่างสว่างไปเรื่อยมันจะมีอยู่แง่นี้แบบมันเหมือนเดิมคือมันยิ่งว่างสว่างอะไรเนี้แต่ว่ามันมันไม่มีสติลงไปตรงนั้นเลยคือมันรู้เลยว่ามันมืนก็ไมัจมเข้าไปในความว่างเลยเออรู้เออดีแล้วที่รู้ทันนะ เออดีแล้วล่ะบอยมันเคยไปมันเคยไปมันเคยไปมันไปตามอนุสัยคือมันเคยไหลเข้าช่องนี้มันก็จะไหลหน้าที่ของเราก็คือรู้ทันเนี่ยพบอันหนึ่งเกิดขึ้นความปรุงแต่งอันหนึ่งเกิดขึ้นถ้ารู้ไม่ทันเราก็ติดอยู่ในตอนนั้นเพราะงั้นมันเข้าไปแช่รู้ว่าเข้าไปแช่นะ แต่ต่อไปพอมันจะเข้าช่องนี้มันจะรู้ทันแล้วจะไม่เข้าไปแช่นานจะไปติดอย่างอื่นแทนไม่ต้องกลัวมีให้ติดเยอะเห <c oughs> ลือ <c oughs> ติดติดความไม่เอาอะไรพอไม่ไม่ไม่ติดความว่างแล้วก็จะไปติดความไม่เอาอะไรเลยอย่าคิดมากนะอยากมาถามถามแล้วเรียกคิดยุ่งยากต่อไปก็คือวิ ไอ้นี่ปรุงแต่งไม่เอาเไอ้นี่ว่างก็ไม่เอาแล้วก็เอาความไม่เอาอะ่ะนะคือใจนะไม่เป็นกลางใครรู้ไปเรื่อยๆอย่าคิดเดยอะนะแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่ ก็ดีแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนะจิตใจแอบปรุงแต่งอะไรบ่อยก็ค่อยรู้มันมันแอบไปทํางานอะไรก็ค่อยรู้นะกระทั่งมันอยากปฏิบัติรู้สึกไหมบางครั้งมันอยากปฏิบัติมันก็เลยไปดูจิตเข้าจงใจไปดูอะไรเงี้ยนี่ก็รู้ทันอีกอย่างตอนนี้รู้สึกไหมว่าเกินธรรมดานิดนึงดูออกไหมเออถ้ารู้ว่าใช่ไม่มีปัญหาไม่ต้องแก้อะไร ถ้ารู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกเต็มที่แล้วต้องคุยกันยาวนะอการมันมวนเออเอ อ, เ อ, อก็รู้ทันมันอย่าไปช่วยมันมวนนะที่จริงก็คือเกิดโลภเจตนาอยากดูมวนเข้ามาดูบางทีเอ อ, เ อ, อจิตมันเจตนาเจตนาเนี่ย เกิดร่วมกับจิตทุกดวงเลยแต่ดีแล้วบ่อยก็รู้ไปรู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยๆดีแล้วล่ะตอนนี้ปฏิบัติดีแล้วอย่าฟังมากฟังมากแล้วยุ่งรู้เปล่าว่าชักยุ่งแล้วชักม้วนใหญ่แล้วโอ้ไม่ใช่ยากเยอะอะไรหรอกโยมเดาเดาเอา เหมือนอย่างเป็นอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายเป็นอาจารย์ใช่ไหมเห็นหน้าลูกศิษย์เนี้ยพอจะดูออกไหมคนไหนดื้อหรือคนไหนไม่ดื้อนั้นไหมอาจารย์มีเจโตปริยยานสิก็กิเลสนะแต่ทำหน้าที่ต่างกันอนุใสยเนี่ยเป็นกิเลสที่สะสม นอนเนื่องอยู่ตัวอาสะวะเนี่ยเป็นกิเลสที่ย้อมนะยอมเยมิมหยาดเยมิมเข้ามาครอบงําจิตมันคล้ายๆถ้าเทียบเนี่ยนะสมว่เราเคยทําน้ําหกตรงนี้แล้วเราเช็ดน้ำแล้วเช็ดจนแห้งแลพอมีน้ําหยดใหม่เนี่ยมันจะไหลไปทางช่องที่มันเคยไหลรู้สึกไหมมันจะซึมไปเพราะมันมีความชื้นเหลืออยู่อาสะวะเนี่ยคล้ายๆไอ้ความชื้นที่เหลืออยู่เนี่ยเพราะฉะันจะไหลเข้ามาครอบงําจิต ส่วนไ อ, อ, อตัวอนุัยมันจะนอนสันดานอยู่แต่อนุใสเกิดเป็นคราๆนะที่ที่บอกว่าเป็นความเคยชินนี่คือเป็ น, ปนอนุใสแต่อาศาวาไม่ใช่ความเคยชินอสวาเนี่ยนะยิ่งกว่าความเคยชินอีกแนบเป็นเนื้อเดียวกับจิตเลยนะเป็นกิเลสที่ย้อมจิตทำให้จิตนะติดอยู่ในสังโยชน์ในเครื่องข้องติดอยู่ในภพทาให้จิตไหลเข้าไปทางานแล้วที่บอก ยังไม่ต้องเรียนอา ส, อสวะนะ อ, อาสวะไว้ได้อนาคาแล้วค่อยเรียนนะครือีท <Four> ่ที่บอกว่าจิตเดิมจิตประพัฒสอนจิตัสอนี่ยังมีหมดเลยมีเพียงแต่ว่านิวรณ์ไม่มาเห็นไหมแค่นิวรณ์เองนะอันวร์ไม่คร่ำงามก็ประพัฒสอน แต่ทั่งสังโยชน์ก็เกิดดับเกิดดับนะสังโยชน์ก็ไม่ให้เกิดถาวรเนีย่ยสักกายทิฐิก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาเนีย่ยตอนนอนหลับก็ไม่ได้มีสักกายทิฐิแล้วจิตเดิมของคนทั่วไปเป็นประพัฒสอนหรือเป็นสิเพราะพระพุทธเจ้าว่าจิตเดิมเหมือนประพัฒสอนแต่จิตเดิมแท้ไม่มีนะในทางเถรวาดไม่มีจิตเดิมหมายถึงว่าจิตนั่แต่แรกอ่ะมันไม่มีอะไร นะท่านสอนเพื่อเรื่องจิตเดิมววาจริงมันไม่ได้มีอะไรหรอกนะมันก็คือจิตที่มีกิเลสกับจิตที่ตอนที่ไม่มีกิเลสนะท่านจะสอนเพื่อให้เห็นว่ากิเลสนะไม่ใช่ของจริงนะนกิเลสเป็นของที่จอดมาเป็นคร า, าวๆต้องการให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่ต้องการให้ไปหาจิตเดิมแท้นะเดี๋ยวจะไปเพ่งใส่จิต